คำว่านิปโกนิปโกก็คือผู้มีความฉลาดนั่นแหละความว่าท่านเรียกปัญญาว่าเนปกะความฉลาดได้แก่เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญาที่เรียกว่าเนปกะคาว่าปัญญาที่เป็นเนปกะนั้นก็คือทรงแสดงปาริหาริกะปัญญานั่นเอง คาว่านิปโกหรือนิปกะเนี่ยนะคำว่านิปโกนี่หมายคำว่าคนที่มีความฉลาดใช่ไหมนิปโกเนี่ยไอคำว่าฉลาดเนี่ยฉลาดอย่างไรก็คือฉลาดยังธรรมะอันเป็นปฏิปักให้แห้งคือให้เหือดหายฉลาดจริงๆเนี่ยนะก็คือฉลาดทาลายธรรมะอันเป็นปฏิปักให้เหือดหายไปันะอย่างหนึ่งหรืออย่างหนึ่งก็คือรักษาคุ้มครองตน จากธรรมะอันเป็นปฏิปักษนั้นสรุปแล้วก็คือสติสัมปชัญญะนั่นเองเพราะฉะนั้นไอ้คำว่านิปโกผู้มีความฉลาดนี่น่ก็คือสาธกะสัมปชัญญะนั่นเองนะแต่กลุศาธกะสัมปชัญญะโคจระสัมปชัญญะสัปปายะสัมปชัญญะนั่นแหละอา้างั้นคําว่าปาริหาฤกษปัญญาก็คือสัมปชัญญะนะสติสัมปชัญญะ นะโคจรสัมปัญญานี่คือสมาธิอา ส, า, มมาสัมโมหะสัมปชัญญะเป็นชื่อของวิปัสสนาเพราะฉะนั้นปาริหาริกะตรงนี้ก็เป็นชื่อของสาธกะสัมปชัญญะกับส ป, ปายะสัมปัญญะบาลีล้วนๆเลยเนาะแต่ก็น่าจะคุ้นๆกันแลนะ้วเนอะมาลองฟังดูคําว่าปัญญาที่ชื่อว่าปริหาริกปัญญาเนี่ยนะ เดี๋ยวต่ออีกนิดหนึ่งจะอธิบายจะอธิบายให้คำว่าปาริหาริกะปัญญาเพราะฉะนั้นในคาถานี่นะในคาถาที่ว่านะผู้มีปัญญาเนี่ยนะตั้งอยู่ในศีลเจริญจิตและปัญญาอยู่เป็นผู้มีความเพียรมีความฉลาดเป็นภิกษุตรงนี้เนี่ยในคาถาคาถาเดียวเนี่ยใช้ปัญญาอยู่สามคด้วยกันะนะปัญญาสามวาระว่า ง, งั้นเถอะ ปัญญาวาระแรกได้แก่สปัญโยสปัญโยก็คือผู้มีปัญญาเป็นสหชาติปัญญาเป็นปัญญาที่เกิดตั้งแต่เกิดเป็นปัญญาที่มีตั้งแต่เกิดมางั้นเด้อปัญญาที่เกิดร่วมกับมหาวิบากนะนะปัญญาที่เกิดร่วมกับมหาวิบากจิตนะเป็นจิตที่มีเป็นติเหตุกะปัญญาที่เป็นติเหตุกะมีไหมปัญญาเป็นเหตุติเหตุกะมีไหมมีไหม คิดในดีนะปัญญาที่เป็นติเหตุกรรมมีไหมไม่มีปัญญามีเหตุสองนะตัวปัญญาเนี่ยเขามีเหตุสองนะไรคืออโลพาเหตุกับอะโทสะเหตุเท่านั้นเองเพราะเพราะเขาเป็นเหตุแล้วนะเขาไม่นับตัวเขาแต่ถ้าจิตนั้นเนี่ยมีเหตุสามแต่ถ้าปัญญานี้มีเหตุสอง เะะั้นสหาชาติกะปัญญาก็คือปัญญาที่เกิดตั้งแต่เกิดเลยนะพร้อมตั้งแต่เกิดนะฉลาดตั้งแต่เกิดเลยคนอย่างนี้ต่อไปก็คือสองวิปัสสนาปัญญาจิตตังปัญญจัจะภาวาอย่างแอปปัญญจะตรงนั้นเนี่ยเป็นชื่อของปัญญาคือวิปัสสนาปัญญาอ่าวาระที่สาก็คือนิปโกนิปโกแปลว่าความฉลาดอันนี้เป็นชื่อของ ปาริหาริกะปัญญาคำว่าปาริหาริกะปัญญาก็คือสัมปชัญญะนั่นเองซึ่งเป็นผู้นำในกิจทุกอย่างฟังให้ดีนะคำว่าเป็นผู้นำในกิจทุกอย่างตรงนี้ดีกาท่านอธิบายไว้ดีมากผู้นำผู้นำในกิจทุกอย่างาคำว่าปัญญานี้ชื่อว่าสัพภกิจจะปรินายิกาที่แปลว่า เป็นผู้นําในกิจทุกอย่างนะปริปรินายกอะ่ะปรินายกก็คือนํารอบทุกเรื่องอย่างนั้นเถอะในสัพพกิจทั้งหมดเลยอ่าเพราะอัตถาว่ากำหนดนำไปซึ่งกิจทุกอย่างนะกําหนดนําไปหมดเลยซึ่งกิจทุกอย่างมีการก้าวไปข้างหน้าเป็นต้นตรงนี้ก็คือเอาสัมพชัญญะมาสัพชัญญะบัพพะมาที่บายนั่นเองนะคือการก้าวไปข้างหน้าในการถอยกลับหนึ่งนะสอง ในการแลการเหลียว 3. การคู่เข้าการเหยียดออก 4. ในการทรงบาทจีวรและสังคตินะถ้ า, าพระภิกษุของเราก็นุ่งห่มนั่นแหละต่อไปในการกินดื่มเคี้ยวลิ้มข้อต่อไปก็คือการถ่ายอุจจาระปัสสาวะข้อสุดท้ายก็คือการยืนเดินนั่งหลับตื่นพูดนิ่งเห็นมนะมีสัมปชัญญะหมดเลย ฝึกตรงนี้แหละทำให้เห็นไตรสาระคมชัดเจนดีนะว่าสาระพามมากไปขนาดไหนสาระห่างหรือสาระอ่อนก็สังเกตจากตรงนั้นเอาอด้วยอานาจสัมปชัญญะมีศาธกะสัมปชัญญะเป็นต้นเห็นไนะ้มขยายนายัยยะแรกคำว่าเป็นผู้นำในกิจทุกอย่างเลยปัญญาที่เป็นผู้นำในกิจทุกอย่างในที่นี้หมายถึงศาสกะสัมปชัญญะเป็นต้นนั่นแหละ อีกอย่างหนึ่งอสองในนะในแรกบอกว่าศาสกะสัมปชัญญาเป็นต้นในที่2บอกว่าปัญญากําหนดนําไปซึ่งกิจทั้งปวงเป็นต้นอย่างนี้คือนะหนการเรียนกรรมฐานานะเนี่ยจึงจะชื่อว่ามีปัญญาจริงๆเลยนะจึงจะชื่อว่าปัญญาเป็นผู้นําในกิจทั้งหมดข้อแรกเลยบอกว่าการเรียนกรรมฐานแสดงว่าเรียนมาเป็นอย่างดีเลยข้อสอง การสอบถามพอเรียนมาแล้วก็สอบถามทวนถามทําความเข้าใจให้จำแจ้งข้อ3การเริ่มภาวนาการเริ่มภาวนาตามที่เรียนที่ศึกษาที่สอบถามมานั่นแหละข้อ 4. วิธีมนติการนะวิธีมนติการนี่มีการตรึกตามลําดับ1นึสอย่างไรก็ตึกไปตามกรรมฐา น, นนั้นๆข้อห้า เป็นความเป็นผู้กระทําโดยความเคารพในกรรมฐานนั้นนะเมื่อมนุสิการก็ต้องทําด้วยความเคารพนะทำด้วยความเคารพทำไงกราบซะก่อนแนะค่อยทําทีหนึ่งใช่ไหมไม่ใช่คําว่าทําด้วยความเคารพก็คือทําอย่างต่อเนื่องไม่ทําหยุดอยู่ในระหว่างนะเรียกว่าทําด้วยความเคารพเนี่ยนะทำด้วยตั้งใจทําหมือนกันแต่ไม่ใช่ทําแบบเล่นๆคําว่าเคารพหรือคาุคารวะนี่เป็นชื่อของความหนักใช่ไหม ก็คือทำด้วยความหนักแน่นนั่นเองต่อไปความเป็นผู้กระทาเป็นสปายะนะนะทำแล้วก็ต้องรู้จักสปายะด้วยน ะ, ะจะต้องคาว่าสปายะนั้นก็คือสามารถยักย้ายตามความเหมาะสมของการปฏิบัตินั้ น, น, นได้เพรา ะ, ะนั้นคนที่จะเจริญกรรมาฐานจะต้องรู้จักสปายะทั้งเจ็ประการถ้ากัสบสปายะเจ็ดสปายะเจ็มีอะไรบ้าง เคยได้ยินนะสปายะเนี่ยก็คือสปายะสัมปชัญญะนั่นแหละรู้น่ว่ามีอะไรบ้างหนึ่งอ า, อาว่าสปายะก่อนที่อยู่สปายะนะีมีความสําคัญต่อการเจริญกุศลมากถ้าหากว่าเรานั่งผิดที่เนี่ยกุศลจิตก็ไม่ค่อยเกิดนั่นกันนะเอางี้นั่งในวัดกับนั่งอีกแห่งหนึ่งเลยเนี่ยอันไหนกุศลจิตเกิดบ่อยเกิดแตกต่างกันเยอะนะเพราะฉะนั้นที่อยู่สปายะนี้เป็นความสําคัญอันดับแรก คำว่า ส, ส ป, ปายะนี้แปลว่าสบายคำว่าสบายนี้แปลหมายคําว่าไงสบายนี่แค่ไหนสบายนี่แค่ไหนเกื้อกูลต่อสมถะและวิปัสสนาที่ใดที่เกื้อกูลต่อสมถะและวิปัสสนาที่นั่นเรียกว่าเป็นที่สบายเป็นที่ส ป, ปายะต่อไปโคจระสัมปัญญะเนี่ยนะเว้นจากอะโคจรทั้งห้าร้านสุราเป็นต้นเนี่ยนะ นะที่ที่เที่ยวถ้าเป็นพระเนี่ยไปบินทบาตนี่ก็ต้องเลือกที่ไปบินทบาตเหมือนกันนะไปบินทบาตผ่านบางแห่งมาเนี่ยกลับมาเนี่ยลืมกรรมฐ า, านหมดเลยนะแล้วต่อไปนะภาษะ、ส ป, ปายะภาษะในที่นี้ก็คือภาษานะพอสมเพออะนะภาษส ป, ปายะนั้นเป็นชื่อของการพูดคุยที่พอเหมาะก็คื อ, ค อ, คอการพูดคุยให้ส ป, ปายะคำว่าพูดคุยส ป, ปายะนี้พูดคุยอย่างไรจึงจะเป็นส ป, ปายะ ก็คือพูดคุยในเรื่องของกถาวัตถุสิประการขยายไปเยอะจังอะนะกถาวัตถุสิบนะหนึ่งเรื่องมักน้อยกถาสันโดษกถาเนี่ยนะไม่คลุกคลีกถาสันมักน้อยสันโดษไม่คลุกคลีวิเวกกถาวิริยารำภาคถาศีละกถาสมาธิกถาปัญญากถาวิมุตติกถาและวิมุตติญาณทัทสนากถาต้องรู้จักใช้คำว่างั้นเถอะจึงจะสัปปายะ ฉลาดในการใช้คําแล้วก็การใช้คําเหล่านี้เนี่ยนะก็ต้องสอดคล้องกับกรรมาฐานที่เจริญด้วยแล้วก็ไม่พูดมากจนเกินไปก็บอกว่ากระถาวัตถุก็กควรคุยแต่พอประมาณไอ้ตรงนี้แหละมาณเนี่ยฟังเมื่อไหร่ฟุ้งทุกทีเลยคําเออเราเนี่ยพูดมากหรือเปล่าไหมมาเนี่ย ถ, ถ้าพูดแล้วฟุ้งก็แสดงว่าพูดมากแล้วนะใช้ไม่ได้แล้วขนาดคุย ด, ดีแล้วนะขนาดพูดเป็นกระถาวัตถุสิบแล้วนะ ห้ามมากเกินประมาณทําให้จิตฟุ้งซ่านห่างไกลาจากสมถะและวิปัสสนานะใครเคยคุยจนนอนไม่หลับมัง่งมามาี่เคยมาหมดละไม่ใช่บุญนะตรงนั้นนะตรงฟุ้งนอนไม่หลับไม่ใช่บุญนะอกุศล <c oughs> นัการพูดคุยนี่ก็ต้องให้เหมาะพอเหมาะพอดีขนาดคุยเรื่องดีแล้วก็ต้องรู้จักประมาณอย่างนั้นแต่ พูดเกินเวลาก็ไม่ดีใช่ไหมเรียกขาดประมาณไปอันนั้นอันนั้นเหตุผลแบบทั่วไปในการเกี่ยวข้องกับคนเนี่ยนะพูดเกินเวลาเป็นต้นพูดไม่รู้การไม่รู้เวลาก็มีโทษละแต่ทีนี้อาการที่จะรักษาจิตเนี่ยเวลาได้แล้วละอย่างอื่นได้หมดเลยสมมติเขาเขาให้เราพูดทั้งคืนเนี่ยเอาบอกงานนี้ให้ท่านเทศทั้งคืนเลยสมมตินะเราก็พูดมากกระชักเอชักยุ่งแล้วนะฟุ้งซ่านละถ้าตรงนี้ก็ไม่ค่อยดีเลยนะแสดงว่าไม่รู้จักภาษาส ป, ปายะ คือเราว่าไม่รู้จักคาพูดที่สั ป, ปายะเนี่ยนะคือพูดมากเกินไป ไ, ไม่ต้องกล่าวถึงเดรฉ า, านกาถาเนี่ยนะถ้าเดรฉ า, านคาถาเนี่ยสั ป, ปายะขาดไปตั้งนานแล้วไม่เหลือแล้วต่อไปบุคลปปบคลสัปายะบุคคลสัปายะก็คือถ้าเราจะเจริญเมตตาเนี่ยนะเราควรไปเกี่ยวข้องกับคนที่มีเมตตามากๆจริงจะเป็นสั ป, ปายะต่อการเจริญเมตตา แต่ถ้าหาว่าเจริญเมตตาไปอยู่บอกว่าคนเจริญเมตตาท่านแน่จริงก็ไปอยู่ใกล้คนมีโทสะสิแต่ถายัางนั้นไม่ใช่นะเพราะคนที่เจริญเมตตาก็ต้องไปหาคนทาตเดียวกันคือาธาตที่มีเมตตาเหมือนกันเจริญอสุภะก็ต้องไปเกี่ยวข้องกับพระที่มากไปด้วยการเจริญอสุภะถ้าจะเจริญอนุสติก็ไปเกี่ยวข้องกับคนที่เจริญอนุสติมากๆอันนี้เขาเรียกว่าคัดสรรบุคคลที่เป็นสปายะเกื้อกูลต่อการเจริญกรรมฐาน ทีนี้ต่อไปโภชนะสปายะอาบางคนนี้ก็ต้องแยกแยะอาหารในการบริโภคนะจึงจะสามารถหล่อเลี้ยงกุศลได้แค่เราเป็นอยู่เนี่ยนะถ้าไม่รู้จักอาหารอะไรที่เหมาะสมแก่ตัวเองนี่ก็ป่วยแลยนะ้วนอะบางคนเนี่ยทานอาหารผิดเมื่อไหร่ก็ป่วยทุกทีเลยอย่างคุณชจ้อมเล่าว่าถ้าทานอาหารผิดแล้วป่วยเลยนะคุณชจ้อมเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าอันนี้อาหารที่ทําให้ป่วยแล้วไม่สปายะและวมันจะต้องรู้จักอาหารที่เป็นสปายะ อย่างอาหารบางอย่างเนี่ยโทสะเกิดง่ายนะอาหารบางอย่างโลภะเกิดง่ายอาหารบางอย่างถีนมิถะครอบงาง่ายมันก็ต้องคัดแยกอาหารที่เหมาะสมที่จะหลอเลี้ยงกุศลจิตต่อไปได้เครียกว่ารูปร่างกายเนี่ยประคองยากแล้วนะจิตเนี่ยประคองยากมา น, นั้นอีกเนี่ยนะประคองจิตนะนะหาปัจจัยให้แก่จิตอ่าพวกนี้ก็เป็นอุปนิสัยนะตระกูลปัจตูปนิสยปัจจัยของของกุศลจิตเนี่ยนะโอโต โภชนะเสนาสนะก็เป็นอุปนิสยปัจจั้ถ้าใครที่สามารถหาอุปนิสัยได้คนนั้นกุศลจิตเกิดไม่ยากนตะ่อไปนะอุตุสปายะอยะ่อุตุสปายะนี้สำคัญนะคนโดยอัธยาศาัยเป็นคนมักร้อนเนี่ยนะไปอยู่ในที่ร้อนเนี่ยก็ไปกันใหญ่แล้วอันนี้ไม่สปายะแล้วเพราะฉะนั้นคนมักร้อนก็หาที่เย็นคนที่เย็นก็ไปหาที่มันอุ่นหน่อย ก็ไม่ใช่ไปหาร้อนจนเกินไปอีกก็ไม่ใช่นะหาความพอดีให้ได้อลองยกตัวอย่างนะถ้าวันนี้ลองปิดพัดลมให้หมดอากาศอบอ้าวขึ้นมาทันทีเนี่ยอย่าว่าสมถาวิปัสนาเลยนั่งฟังคุยก็ชักไม่ค่อยถูกคอแล้วไม่ค่อยถูกหูเลยน ะ, อะบอกว่ท่านใช้เสียงอย่างนั้นหมาดีเลยนะสรุปแล้วมันมีแต่ข้อตําหนิหมดแหละเขาบอกว่าปฏิฆานิมิตเป็นเหตุใกล้ให้เกิดโทสะขนาดอะไรมันดีก็กลายเป็นไม่ดีไปทั้งหมดเลยนะฉันอุตุนี่มีความสําคัญมาก บางท่านเนี่ยไม่ได้อุตุนี่ไม่ได้ตรัสรู้ทำนะพอได้อุตุเป็นที่เหมาะสมและจึงได้ตรัสรู้ทำได้นั้นอุตุนี่มีความสําคัญมากเพราะอุตุสําคัญลักษณะนี้แหละชาวก u r u จึงเจริญสติปัฏฐานได้ดีะน ะ, ะชาวที่หรือในเขตที่ร้อนเกินไปเย็นเกินไปอะไรที่มันเกินเกินไปเนี่ยพวกนี้คนในถิ่นนั้นจิตใจไม่ค่อยดีนะเมื่อจิตใจไม่ค่อยดีแล้วกุศ ล, ลจิตจะเกิดได้อย่างไร แต่ไปนะอิรยาบทสปายะนะอย่านั่งนานเกินไปอย่ายืนนานเกินไปอย่าเดินนานเกินไปอย่านอนนานเกินไปเรียกว่าหาความเหมาะสมให้ได้ประมาณนั้นคนคนที่หาอิรยาบทสปายะคนนั้นจะต้องเข้าใจในชาคริยานุโยกเป็นอย่างดีเนไะว่าเดินแค่ไหนจึงจะไม่ฟุ้งซ่านนั่งแค่ไหนจึงจะไม่ฟุ้งซ่านไม่ใช่เหมือนกันทั้งหมดนะไม่มีสูตรตายตัวอ่า พระเทรารูปหนึ่งนะท่านเป็นบุรุษอาชาในว่าท่านนอนทีเจ็ดวันเลยแล้วสปายะด้วยนะเดินก็เดินเจ็วันยืนก็ยืนเจ็ดวันนั่งก็นั่งเจ็ดวันอะนครบบรรลุเลยห้ามเรียนแบบนะเราเราไม่ใช่อย่างนั้นแน่นอนอนแต่บางองค์นี่เป็นเป็นลักษณะนั้นท่านสปายะหมดเลยเขาเรียกว่าบุรุษพิเศษคนพิเศษว่างั้นเหรอ